โอกาสพาย์จเพศ า, ารพรเทลานุเทละเพื่อนสมัมธรรมิกทุกท่านเจริญธรรมม่ชีรละญาติธรรมทุกท่าน <c oughs> ในสมัยหนึ่งนะพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จไปในแคว้นกุลุนะได้ทรงแสดงธรรมให้แก่พระพุคทรงและชาวกุลุฟังในมหาสติประฐานสูตร ซึ่งพ ร, รนี้เป็นพ ร, รที่มีความสำคัญมาก <c oughs> ถึงกับทรงตัดว่าผู้ใดที่เจริญตามนี้แล้วก็จะบรรลุเป็นพระรหันต์หรือพระ น, นาคามีอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> อย่างเร็วไม่เกินเจ็ดวันอย่างช้าอย่างกลางไม่เกินเจ็ดเดือนและอย่างช้าไม่เกินเจ็ดปี <c oughs> มาสติปัฏฐานสูตรนั้นควาเป็นสติปัฏฐานสี่ประกอบด้วยกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเริ่มจากทางกายก่อนนะให้เรามาพิจารณาในทางกายก่อนเนยเพราะสิ่งที่เป็นกายเนี่ยก็พิจารณาเห็นได้ง่ายนะก็คือ ให้เห็นกายในกายนะโดยเริ่มที่ว่าอาณาปานบับนะคือให้รู้เท่าทัน <c oughs> ลมหายใจของเราปนะกติเราก็หายใจอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เท่าทันนะก็เลยให้รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจเข้าสัน้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสัน้นหายใจออกสัน้นก็รู้ว่าหายใจออกสัน้น หายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวอันนี้ก็เป็นการที่ให้เราสามารถที่จะรู้เท่าทันอาการทางกายที่เราสามารถรู้ได้ง่ายๆนะั่นคือหลบหายใจเพราะเราสามารถที่จะรู้ได้ตลอดเวลาแล้วต่อมาก็คือ อิเลียบทิเลียบท บ, บพระนะก็คือกริยาอาการใหญ่ๆนะในการยืนเดินนั่งนอนนะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ก็ให้รู้ในอิบทต่างๆเหล่านั้นนะเป็นการเคลื่อนไหวในทางกายของเราเพราะวันๆนหนึ่งเราก็จะมี <c oughs> อิบทใหญ่เหล่านี้อยู่ประจําอยู่แล้วนะ เป็นเครื่องดำเนินเครื่องรู้ของจิตใจไปในแต่ละวันแต่ละขณะแล้วต่อมาก็มีการแสดงในสัมปรัชญะบัพพะก็คือบทย่อยต่างๆการเดินหน้าการถอยหลังการเลี้ยวซ้ายแลขวาการมองไปข้างหน้าข้างหลังการทรงจีวรสังคาติ การก้มการเงยนะการดื่มลิ้มนะพูดนะการอุจจระปัสสวะนะก็คือเรีบทย่อยต่างๆที่เรานะทำในแต่ละวันซึ่งทั้งเรีบทใหญ่รีบทย่อยนีนะ้เป็นสิ่งที่เรานะตามรูนะ้ตามรู้ในอาการของกายต่างๆนะ เพราะวันวันหนึ่งเราก็จะอยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะอ่าก็คือยืนเดินนั่งนอนนะหรือดื่มกินพูดคิดต่างๆนะก้มเงยนะเป็นสิ่งที่เราอ่ากระทำในแต่ละวันอยู่แล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องรู้ของจิตของใจตามรู้ไปในอาการต่างๆทั้งอิบทใหญ่เลยบทย่อยนะเพื่อให้จิตเนียไม่ไหลเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆนะกลับมารู้ รู้ในอาการเมื่อเกิดการรู้นอยการก็จะมีความรู้สึกตัวมีสติคือความระลึกได้ที่มากินเราก็ได้สวดไประลึกได้ไปนในาการต่างๆที่เราเคลื่อนไหวไปแต่ละวันแต่ละขณะเราจึงไม่ไม่ได้เป็นการที่เรียกว่าเราเพลิดเพลินไปในลมต่างๆนะเมื่อเราไม่เพลิดเพลินไปแล้วในกินเลส ก, ก็เข้ามาในใจของเราเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ การที่เราจะเินในสิ่งเหล่านีนะ้นอกจากว่าเราอาจจะรู้เท่าทันในอาการที่เกิดขึ้นแล้วนะมันก็มีการทำให้ต่อเนื่องกันการทำให้ต่อเนื่องก็กคือเรานะอาจจะมีการสร้างจังบ่าะนะหรือเดินจงกรมอันนี้ก็เป็นการทำให้ต่อเนื่องนะเพราะถ้าเราไม่ทำให้ต่อเนื่องมันก็จะทำให้มันจะมีการที่เรียกว่า จิตนี้นะมันเหมือนกับว่ า, าการที่เราจะทำให้เกิดไฟขึ้นมาโดยการสีไฟนะถ้าเราเอาไม้มาสีไฟกันนะสีแล้วก็หยุดไปสีแล้วก็หยุดก็จะไม่เกิดไฟแต่ถ้าเมื่อสีต่อเนื่องกันก็นกจะเกิดไฟนะเพราะนั้นการที่เรารู้ในบทใหญ่บทย่อยก็ต้องรู้ให้ต่อเนื่องกันนะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเราเข้าใจอนะ สามารถเห็นรูปเห็นนามว่าร่างกายต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นแค่เครื่องรู้เท่านั้นเองอไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงรูปนามเราก็รู้อเท่าทันอาการของใจนว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแค่นามเท่านั้นไม่ใช่จิตไม่ ใ, ใจของเราอจะได้แยกจากการยึดติดอในความเป็นตัวตน <c oughs> ตรงนี้เราก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตนะ ไม่งั้นเราก็วันๆหนึ่งเราก็ไม่มีเครื่องอยู่ใจก็ไหลเพลิดเพลินไปในราคะในตันหาต่างๆเป็นคนทางที่จะทําให้เราเกิดทุกข์เป็นกองกิเลสนะแต่เมื่อเรารู้ทันกายและใจตามความเป็นจริงแล้วเใจก็ไม่เพลิดเพลินเป็นอารมณ์ต่างๆการเพลิดเพลินเขาเรียกว่าเป็นราคะเป็นตันหาเป็นการก่อภพก่อชาติเป็นสมุทัยนะโดยเพราะตันหานี้ก็คือสมุทยัย ก็มีกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเป็นสมุทัยในการที่จะก่อให้เกิดกิเลสต่างๆในใจของเราหลังจากนั้นก็ได้ทรงแสดงปฏิกูลแบบพระก็คือให้รู้นะว่าเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุมอยู่เป็นที่สุดรอบ มีความไม่สะอาดเป็นประการต่างๆอยู่ในกายนี้นะกายของเรานี้นะก็มีสิ่งที่ไม่สะอาดต่างๆมากมายนะก็มีผมขนเล็บฟันหนังนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นภายนอกนะส่วนที่เป็นภายในนะก็มีเอ็นกระดูก เลือดเนื้อปอดตับหัวใจ ม, ม้ามลำไส้อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำหนองุจจระปัสสาวะต่างๆเป็นต้นซึ่งอยู่ภายในนะเรามองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของที่สวบกเราจะไม่รู้เท่าทันในสิ่งสวบกเหล่านี้นะยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ออกมาจากภายในนะ ก็มีแต่สิ่งที่โสปกทั้งนั้นนะมีน้ำตาน้ำลายนะน้ำมูกอุจจระปัสสาวะเนื่อไครต่างๆเหล่านี้นะเป็นของที่โสปกทั้งหมดถ้าเราลองไม่แปรงฟันสักสามวันนะเราก็พูดกับใครแทบจะไม่ได้เลยนะหรือไม่อาบน้ำสามสี่วัน ไม่สะผมนะไม่ทำความร่างกายนี่เราก็จะโสบุกโดยตัวเราเองอยู่แล้วนะจะมีกลิ่นออกมาจากตัวเราสิ่งที่ออกมาจากตัวเราทุกอย่างมีแต่ความเหม็นนะความเหม็นความเน่า <c oughs> <c oughs> บางทีนะเราแค่รับประทานอาหาร <c oughs> ถ้าเรากำลังเคี้ยวอยู่เนี่ย เราเอาอาหารที่เราเคี้ยวเนี่ยส่งไปให้ผู้อื่นเขาเขาก็ไม่มีใครอยากจะได้นะแม่ตัวเราเองเราก็ไม่อยากจะได้เนะี่ยพึ่งออกจากปากเราเราก็ไม่อยากจะเข้าปากของเราอีกแล้วนะมีความโซบกทั้งสิ้น <c oughs> หรือนะ่ะเปรียบเทียบได้ไงว่าเหมือนกับมีถุงหนังถุงหนึ่งนะถุงหนังนี้นะ่ะภายในก็บรรจุอ่านะสิ่ ง, งต่างๆเอาไว้นะ่ะ ก็คื อ, อเครื่องในต่างๆนะ่อตับเอ็นอม้ามาหัวใจน้ำเลือดน้าเลืองอยู่เนี่ยแล้วถุงหนังก็หุ้มเอาไว้หมดนะปิดหัวปิดท้ายหมดเลยแต่ถุงหนังนั้นก็จะมีะสิ่งต่างๆซึมออกมานะสิ่งที่ซึมออกมาจากถุงหนังก็จะเป็นสิ่งที่โสปกนะเป็นน้ำมัน นะน้ำเลือดน้ำเหลืองซึมออกมาจากถุงหลังเหล่านั้นนะมีแต่ความโศกทั้งสิ้นเลยนะแมงวันก็จะมาตอมนะหนอนต่างๆก็จะมาลุมกันนะสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยก็มีอยู่ในกายของเรานะและจริงๆแล้วถ้าเอาของที่อยู่ภายในเนีเอาออกมาไว้ภายนอกนะแล้วเราเดินไปไหนมาไหนนะก็จะมีสุนัขนะนะมีนกต่างๆเนี่ยอนะตามมาเพื่อที่จะไปกัดกิน สิ่งโสดปกต่างๆเหล่านี้ถ้าผูใดสามารถพิจารณาอในสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงเหล่านี้นะก็คือผมขนเล็บฟันหนงังต่างๆเหล่าเนี้ยตามความเป็นจริงแล้วเนยก็จะเกิดความเบื่อหน่ายะถ้าเราพิจารณาภายในไม่ได้เราก็สามารถเห็นได้ภายนอกนะผมขนเล็บฟันหนังเป็นสิ่งเราเห็นได้ภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันโสดปกจริงๆ แล้วมันก็ไม่เทียงจริงๆนะผมมันก็งอกไปนะหนังก็เหยียวย่นนะสิ่งต่างๆนะไม่มีสิ่งใดคงตัวเล็บนี่ถ้าเราไม่ทำขาา้าสก็จะโตกนะฟันก็เหมือนกันโนะปกมากนะอันนี้เป็นกรรมฐานใหญ่นะซึ่งนะครูบาอาจารย์ในสายวัดปา่าหลวงปู่มั่นนี่จะพิจารณาในตรงนี้กันเยอะมากนะจะเน้น หือแม้แต่วันบวชนะวันบวชพระเวชาก็จะให้กรรมฐานใหญ่นะก็คือตจัปัญจกากรรมฐานถ้าผู้ใดไม่ได้รับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการที่ไม่ได้บวชพระที่สมบูรณ์แบบนะก็คือให้พิจรณาเกสาโลมาณนะขาธันตต า, ตาโจรนะก็คือผมขนเล็บฟันหนังนั่นเองนะเป็นกรรมฐานใหญ่นะที่เราพิจาณาแล้วก็จะได้เกิดความเบื่อหน่ายและเข้าใจตามความเป็นจริง นะว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราต่อมานะก็ได้ทรงแสดงธนะาตนะุบัพพะก็คือร่างกายของเรานี้นะจริงๆแล้วก็ประกอบด้วยธาตุสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประกอบตั้งอยู่ทั่วคราวเท่านั้นเองธนะาตุดินก็ได้แก่ความ แข็งแข็งนะสิ่งที่เป็นของแข็งต่างๆในร่างกายเรานะเช่นกระดูกเนื้อหนังนะปอดตับหัวใจ ม, ม้ามต่างๆที่เป็นของแข็งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือธาดินนั่นเองนะธาตุดินนี้จริงๆแล้วเราอาจจะมองตรงนี้ไม่ชัดนะแต่เมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้ที่ปุติอาทมาเนะียมีขังคกตัวหนึ่งขนะังคกตัวนีนะ้มันก็มาที่กุติ พอไม่นานมันก็ตายก็ตายข้างๆมุตินั่นแหละว่าจะเอาไปทิง้งก็ยังไม่ทันไปทิง้ง <c oughs> พอสักแค่วันเดียวทั้งแต่มันก็กลายเป็นดินไปแล้วนะกลายเป็นดินไป <c oughs> ถึงครึ่งตัวก็ยังสงสัยทําไมข้างหกตัวนี้มันกลายเป็นดินไปอย่างรวดเร็วนยังไม่ทันทิง้งแล้วก็กลายเป็นดินไปแล้วเนะี่ยครึ่งตัวเลยก็ยังไม่ไปทิ้งอีกก็ผ่านไปแค่สองวันมันกลายเป็นดินกับทั้งตัวเลยนะ ยังแปลกใจเครั้งโคมันเป็นดินไปจริงๆนะเป็นกายมันดินไปเลยน่าแปลกใจมากนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือธาตุดินนั่นเอง <c oughs> เป็นธาตุดินนะอธ <c oughs> าตุน้ําในตัวเรานั้นก็คือสิ่งที่มันสามารถที่จะเอื้ออาบในตัวเรา <c oughs> เราก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะก็มีน้ําลายน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ํำมูก กูจะน้ําปัสสาวะต่างๆน้ําเงื่อต่างๆนั่นแหละอมันก็ประกอบไปตรงนี้วันๆหนึง่งเราก็รับประทานน้ําเข้าไปเพื่อที่จะเสริมธาตุน้ำนให้มันอยู่นะถ้าเราไม่ทานน้ําแค่วันสองวันเราก็แย่แล้วนะถ้าทานน้าเราก็จะน้อยลงอ่าเราขาดแคลนน้ํานี่เราก็ไม่สบายนะวิชาหมอของจีนการแพทย์งจีนนี่มีวิชาหนึ่งนั่นก็เรียกว่าวิชาแม้ว <c oughs> ิชาแม้นี่กา จะจับชีพจรของเราแล้วก็จะรู้ว่าธาตุของเราเนี่ยอะไรที่ไม่สมดุลนะธาตุดินน้ํามลมไปตรงไหนที่บกพร่องที่ขาดไปเนี่ยก็จะให้ยาเป็นสมุนไพรมาเพื่อที่ไปเสริมธาตุนั้นให้สมบูรณ์ก็จะแข็งแรงอย่างเก่านะเพราะนั้นมันจนึงมีต้องครบนะการดื่มน้ํานี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะที่จะทําให้ธาตุเนี่ยได้ครบถ้วนการรับประทานอาหารก็คือทําให้ธาตุดินเนี่ยครบถ้วนะ การหายใจก็ทําให้ธาตุลมในครบถ้วนการที่เราเดินเหินต่างๆนะรับประทานอาหารต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีธาตุไฟอยู่แล้วนะถ้าไม่มีธาตุไฟนะก็ไม่มีสิ่งที่ไปอย่อยอาหารนะตัวเราจะมีความอุ่นอยู่แล้วนะเพราะว่าเนี่ยดินน้ําลมไฟก็ไปทําให้เกิดธาตุไฟที่สมบูรณ์ขึ้นมาพอเราตายไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะแค่ชั่วโมงเดียวตัวเราก็เย็นแล้วนะเย็นเจ็บเลยเพราะว่าธาตุไฟมันแตกไป ธาตุลมนะก็คือสิ่งที่มันเคลื่อนอยู่ในตัวเราทั้งหลายแหล่นี่แหละอธาตุลมนะเบื้องบนเบื้องต่ําะมีหมดนะถ้าเราไม่มีธาตุลมนี่เราก็อยู่ไม่ได้น่นอนนะอไม่หายใจแค่ห้านาทีแล้วก็แย่แล้วธาตุไฟนะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วแล้วก็มีประจำตัวเรานะในการช่วยย่อยอาหาราต่างๆธาตุร่างกายอบอุ่นนะให้ทรงอยู่ได้นะธาตุไฟ พอแตกปุ๊บเครือข่ายไฟแตกนี่เราก็ตายทันทีเลยนะตัวเย็นทันทีนะเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราเนี่ยก็จึงประกอบด้วยสิ่งเราเนี่ยดินน้ําลมไฟนะมาประกอบเันชั่วคราวเท่านั้นนะอันนี้ก็เปรียบได้อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมันที่เราไปยึดเนี่ยเพราะว่าเราไปเห็นในภาพรวมเท่านั้นเองนะว่าเออนี่เป็นร่างกายของเราถ้าเราแยกก็ไปแต่ละอย่างก็เป็นดินน้ําลมไฟนะ หรือถ้าเราแยกส่วนถึงต่างๆในร่างกายเรานะว่าศรีศารษะนี่เราอยู่ทางหนึง่งแขนขาอยู่ทางนึ่งส่วนตัวร่างกายนี่อยู่ทางหนึง่งนะเมื่อแยกไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยตรงไหนมันคือตัวเรานะมันก็ไม่ใช่ตัวเราเลยนะตรงนี้ก็เป็นส่วนหัวนี่ก็ส่วนขานี่ก็ส่วนแขนนี่ก็ส่วนลาตัวไม่มีตรงไหนที่มันตัวเราแล้วตัวเรามันอยู่ตรงไหนนะ ก็คือเมื่อมันประกอบขึ้นมาแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็กลายเป็นตัวเราชั่วคราวแต่เราก็รู้ไม่เท่าทันมันเหมือนก็บรถยนต์เนี่ยพอแยกมาแล้วก็เป็นพวงมาลัยเป็นล้อเป็นยางเป็นที่นั่งเป็นโครงรถอเป็นกันชนตรงไหนก็คือรถตรงนั้นก็ไม่มีรถนั่นเองเพียงแต่ว่ามันมาประกอบเป็นชั่วคราวแล้วเราก็ไปยึดในตรงนั้นว่าเป็นรถ แต่พอเทารู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่มีอะไระเป็นของชั่วคราวเท่านั้นนะบางทีก็เลยเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนก็เรา <c oughs> มาสวมเสื้อผ้าการที่เรามาเกิดแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนกับเรามาสวมเสื้อผ้าออพอเราถอดเสื้อผ้าออกไปแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าก็เปรียบเสมือนกับว่าเออเนี่ยเป็นการที่เรามาอยู่ในร่างนี้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะ หรือเหมือนกับโรงแรมนะเราไปพักโรงแรมเราก็ไปพักชั่วคราวนะไม่มีใครพักโรงแรมได้ถาวรหรอกใช่ไหมพอออกมาจากโรงแรมทุกอย่างเราออกมาเอ า, า, เ, อาเอาออกมาไม่ได้นะหมอนผ้าหม่มโทรทัศน์เอสิ่งต่างในโรงแรมแเราออกเอาออกมาไม่ได้เลยนะก็ต้องอทิ้งเขาไว้อย่างนั้นนะร่างกายเราก็เหมือนกันนะ <c oughs> มันก็เป็นสิ่งที่เราอาศัยแค่ชั่วคราวเท่านั้นเราก็ อ่าจะไปยึดติดก็ไม่ได้เพราะว่าเรานำสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปไม่ได้เลย <c oughs> เพราะนั้นอ่าต่อมานะก็ได้ส่งแสดงอนะวสีบัพทะนะก็คือป่าช้าทั้งเก้าท้างก็เปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าซ <c oughs> ากศพนะที่ถูกทิ้งอยู่ในป่าช้าเนี่ยมันก็เป็นเป็นการที่จะสลายไปตามลำดับอ่านะโดยเก้าลำดับนะ เช็ดนะลําดับแรกนะวางเอาใบแล้วเนี่ยก็จะกายก็จะมีสีเขียวนะแล้วลำดับต่ อ, ตอมานะก็เนะมื่อผ่านไปแล้วเี่ยก็จะเป็นนะมีน้ําเลือดน้ําเหลืองอนะ่ยังอยู่เอ็นก็ยังอยู่นะอแต่ก็จะมีแรงกล้ามาจิกกินนะหลังจากนั้นน้ําเลือดน้ําเหลืองก็ค่อยๆที่จะเขือแทงไปนะแต่เส้นเอ็นก็ยังอยู่นะ หลังจากนั้นน้ําเลือดน้ําเหลืองละเซนเอ็นก็คลายตัวนะเริ่มจะนะไม่อยู่แล้วเส้นเอ็นก็ไม่รัดแล้วนะกระดูกก็เลยกระจายกระจายไปในที่ต่าง <c oughs> หลังจากนั้นกระดูกก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะเหมือนกับสีสังคนะหลังนั้นกระดูกก็จะค่อยๆผุพังไปเออ่กลายเป็นฝุน่นเป็นผงไปนะมันก็ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น <c oughs> โดยวิธีการเนี่ยเก้าอย่างนะก็ให้ทรงพิจารณาว่าทรงบอกว่าให้พิจรณาว่ากระดูกต่างๆที่เรียลายนะมีความผุพังไปอนะ่ะเมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วนะสิ่งเหล่านั้นก็คือเราก็เหมือนกันนะเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราตายไปถูกทิ้งในป่าช้าก็มีสภาพนั้นเหมือนกันเพราะนั้นกระดูกเหล่านั้นกับตัวเราก็ไม่ต่างกันนะ บาชาลังก้าเป็นอย่างไรเราก็เป็นแบบนั้นนะอันนี้ก็คือนะกายานุปัสสลาสติปฐาน <c oughs> เป็นการให้พิจณาในความเป็นจริงว่าร่นะางกายเหล่านี้นะมันก็เป็นแบบนั้นเองนะไม่ควรที่ไปยึดไปติดนะเป็นการถ่ายถอนาตาตัวตนจากการยึดมั่นถือมั่นนะในร่างกายนี้ <c oughs> เมื่อเราถอนมั่นนะความยึดในตรงนี้แล้วเนี่ยความยึดมั่นในร่างกายเราน้อยลงไปแล้วนะ มันก็จะเข้าใจในสภาวะความจริงว่าสิ่ง ต, งต่างเราก็ยึดไม่ได้นะบุคคลอื่นเราก็ยึดไม่ได้เหมือนกันเป็นการถ่ายถอน <c oughs> สิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเราอย่างชัดเจนนะ <c oughs> หลังจากนั้นก็เป็นเวทนานลุปรัต น, นสติปฐานนะก็คือให้รู้ในสุขเวทนา <c oughs> ก็คือความสุขนะความพอใจทั้งหลาย ในทุกขเวทนา <c oughs> คือความไม่พอใจอความทุกข์ในทางอจิตใจทั้งหลาย <c oughs> และในทางร่างกายด้วยอทุกขมาสุ ข, ขเวทนาก็คือความที่เรามีอารมณ์เป็นกลางๆหรือเบิขาอคืออารมณ์ที่เป็นกลางๆ ก, กับอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะก็คือให้รู้สุขรู้ทุกขและอารมณ์เฉยๆหรือเบิขา <c oughs> ไปตามความเป็นจริงของเขาเหล่านั้นไม่ไปปรุงไม่ไปแต่งนะไม่ใช่ว่าออดีใจก็ไปทาให้เสียใจไปนะซึ่งมันก็ไปผิดผันไปอาการเวทนาอย่างไรก็รู้เท่าทันแบบนั้นและอาการเวทนาเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันจะตั้งอยู่ไม่ได้นาน <c oughs> ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะความสุขก็ตั้งได้ไม่นานหรอก <c oughs> บางคนบอกว่าให้ <c oughs> มีความสุขนา น, าน แต่ก็อยู่กับเราไม่นานนะก็จากไปนะความทุกข์ก็เหมือนกันก็จากไปนะเพราะฉนั้นสุขและทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นของชั่วคราวก็ไปยึดเอาไว้ว่าความสุขต้องอยู่กับเรานานๆ น, นะแต่เมื่อเขาแสดงความไม่เที่ยงมาเราก็ทนไม่ไหวนะบางคนนี่ถึงฆ่าตัวตายก็มีนะเมื่อความสุขผ่านไปเอนะทําไมสามีของเราไปมีคนใหม่ เราก็ทนไม่ไหวก็ไปฆาตตัวตายจริงๆมันก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นนะความสุขความทุกข์เป็นของชั่วคราวเท่านั้นแต่เราไปยึดในสิ่งเหล่านั้นมันก็มีความทุกขนะ์เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในตรงเนี้ยเราก็ไม่ทุกข์เลยนะในความสุขความทุกข์ทั้งหลายเพราะเรารู้ว่าเป็นของชั่วคราวเราไปยึดเอาไว้ไม่ได้ <c oughs> ต่อมาก็คืออนะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการรู้ไปตาม อาการของจิตอาการของของอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะมีราคาก็ให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าว่าจิตไม่มีราคาจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะจิตหุนทูก็รู้ให้รู้ว่าจิตหุนทู จิตตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตเกิดวิมุตติก็ให้รู้ว่าจิตเกิดวิมุตติจิตไม่เกิดวิมุตติก็ให้รู้ว่าจิตไม่เกิดวิมุตติก็คือให้รู้จิตไปตามความเป็นจริงนั่นเองนะรู้เท่าทันนะจิตในที่ลั่นไปในลมต่างๆเหล่านี้นะรู้เท่าทันนะเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วเราก็ไม่ไปเพลิดเพลินในลมต่างๆเหล่านั้น คราวนี้ที่เรามาเจริญเอสติปัฏฐานน่มารู้อาการยืนในนั่งนอนเนี่ยจริงๆแล้วก็เพื่อให้เราไปรู้ทันจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยนั่นเองนะพอเมื่อเรารู้กายเราก็จะไปรู้จิตได้นะการที่เรารู้กายนี้เขาเรียกว่าเรารู้ของหยาบรู้ของหยาบในการที่เราสามารถที่จะให้จิตเนี่ยมารู้อยู่กับปัจจุบันนะ ปัจจุบันก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะความรู้สึกตัวเมื่อเราเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกนะมันก็อยู่กับปัจจุบันแล้วส่วนจิตนั่นมันจะเคลื่อนออกจากปัจจุบันไปนะมันจะเข้าไปในอดีตดหรืออนาคตนะมีความคิดไปในต่างๆนะหรือมีลมต่าง ๆ, ๆที่ไปปรุงแต่งที่มันหลุดจากปัจจุบันไปนะเราก็รู้เท่าทันเพราะว่าการที่อยู่ปัจจุบันนี้นะเมื่อจิตไหลไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตเราก็รู้เท่าทันเพราะเราสามารถที่จะสังเกตได้ ในการที่หลุดจากปัจจุบันไปจิต ท, ที่เกิดรมณ์ต่างๆนะความโลคความโกรธความหลงก็ดีมันจริงๆก็หลุดจากปัจจุบันนั่นเองนะก็คือหลุดจากความรู้สึกตัวไหลเข้าไปในความคิดซึ่งความคิดนั้นมันก็คืออารมณ์ต่างๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนนะในความที่มันปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆนะ สติมันก็จะว่องไวขึ้นเราสามารถระลึกได้เร็วขึ้นขณะนี้เรากําลังโกรธแล้วกําลังรักกาลังชังนการที่เราระลึกได้นี่คือสตินั่นเองนะเพราะงั้นการที่เราฝึกเน้นก็คือฝึกให้เรารู้เท่าทันกายและเท่าทันใจนตามรู้ไปเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ได้นะต่อมาในสติปัฏฐานสี่ข้สุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการพิจารณาธรรมในมวลต่างๆนะ อันได้แก่อริยสัจสี่นิวรณ์ห้าขันห้าอายตนาหกโพชงเจ็ดเนี่ยพิจานาธรรมต่างๆเหล่านี้นะให้เห็นถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของธรรมเหล่านี้นะเมื่อเห็นธรรมเหล่านี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอจิตก็ได้คลายความเบื่อหน่ายเกิดการคลายความยึดติดนะในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของธรรมทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ทําทั้งหมดนี้ก็คือครอบคุมอยู่แล้วในตัวของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัต 4, ์สี่อายนะหกนะอหรือขัดทั้งห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ประจําตัวเราอยู่แล้วนะให้เห็นถึงความเกิดและความดับของสภาวะธรรมต่างๆตามความเป็นจริงซึ่งในสติปัฏฐานสี่ 4, นี้ก็คือให้เรารู้ไปตามความเป็นจริงของกายและใจนั่นเองนะ ที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีความเกิดและความดับความเสื่อมสลายไม่มีสิ่งใดที่ทเที่ยงทางแน่นอนในสุดล้วก็จะเข้าใจปตัตยรักษถึงความไม่เที่ยงความทุกข์และความเป็นรัตตาไม่ให้ตัวเมตตนที่เราจะไปยึดติดจิตมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเจอเกิดความเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดเมื่อเกิดการคลายกำหนัดจิตก็จะหลุดพ้น เนะมื่อหลุดพ้นก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะอเป็นการให้เราปล่อยให้เราวางในขันห้าก็คือลูกเปท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเรายึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะนั่นการที่เรามาเข้าใจยงตรงเนี้มันจะได้เป็นการคลายจากความยึดติดในขันห้านี้นะว่ากายและใจนี้ไม่ใช่ของเราให้เห็นไม่ตามความเปจริงเหล่านี้นะการที่เราเห็นวะ่ากายไม่ในชะ่ของเราเนะีนะ่ยนะ อันนี้ก็คื อ, อปัญญาในระดับหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้นะจริงๆเราก็สามารถที่เห็นเอากายเนี่ยไม่ใช่ของเราอยู่แล้วนะถ้าเป็นกายของเราจริงก็บังคับเป็นชาเขาได้อยู่ไม่เขาแก่ไม่เขาเจ็บไม่เขาตายได้ไหมก็ทำไม่ได้เขาสแสดงอาการต่างๆอยู่แล้วว่าเราบังคับไม่ได้นะ เ, เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่มีใครอยากจะเป็นนะ เมื่อเรายึดนะว่ากายที่เป็นของเราเราก็จะไปอนะคำนึงนะในความนะเป็นศักดิ์ศรีบ้างเป็นตัวเป็นตนบ้างที่ใครจะมาแตะต้องไม่ได้นะต้องคอยบํารุงรักษาดูแลอยู่เรื่อยๆนะอันนี้เนะี่ยมันก็จะตรงข้ามกับความเป็นจริงที่ว่าอมันจะเสื่อมไปตามสภาพแล้วนะให้เรารู้ไปตามแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าเราไปปุ่งแตะเขาได้นะรู้ไปตามความเป็นจริงนะ การที่เราไปยึดกายนั่นแหละมันเป็นหนทางเกิดกิเลสมากมายนะในการที่จะมาบํารุ ง, รงดูแลเขาะใครจะมาแตะต้องไม่ได้นะใครจะมาดา่าเราไม่ได้นะมีคําว่าเราอยู่ทั้งนั้นนะใจก็เหมือนกันนะใจก็ก็แสดงความจริงอยู่แล้วว่าเราบังคับเัญชายเขาไม่ได้ความคิดนี่เราจะให้เขาหยุดคิดสักห้านาทีได้ไหมไม่ได้เลยนะอความโกรธก็เหมือนกันจะให้ไม่ให้เขาโกรธได้ไหมไม่ให้เขารักไม่ให้เขาชังได้ไหมก็ทําไม่ได้อีกนะ แต่ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้นะว่าจิตไม่ใช่ของเรานะจิตไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเขาคิดก็เป็นเรื่องของจิตของเขาคิดของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเรานะความคิดก็ทํางานของเขาอยู่แล้วนะอคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะเส้นสมองนะกราฟสมองก็จะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งนอนหลับอนะกราฟสมองก็ยังขึ้นขึ้นลง ล, งลงอยู่ก็แสดงเราก็คิดตลอดเวลา นะเป็นรูปของความฝันบ้าง <c oughs> ก็แสดงแล้วว่าความคิดเขาทํางานเองจิตเขาทํางานของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นนะความโกรธก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเหมือนกันนะเป็นเรื่องของจิตที่เขาโกรธไม่ใช่เราโกรธนะถ้าเรายังคิดว่าเราโกรธอยู่นะเราลักเราชังอยู่มันก็จ่อจากตัวตนนี้ไม่ได้ นะเพราะนั้นพระนิพพานก็ยิงไกลไกลมากเลยนะแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าเออความโกรธความรักความชังไม่เกี่ยวกับเราเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของความบกพร่องของจิตเขาเองนะเป็นตามเหตุตามปัจจัยของเขาเองไม่เกี่ยวกับเรานะเราก็จะออกจากอารมณ์ต่างๆเราเนี่ยได้ก็จะยากไปดอย่างชัดเจนเลยว่ากายและใจไม่ใช่เราจริงๆนะเป็นสภาวะหนึ่งนะเป็นแค่รูปแค่นามที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นนะ แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานถ้าเราเข้าใจตรงนี้จิตก็จะปล่อยจะวางจากการยึด ต, ติดะในร่างกายและจิตใจในี้น ะ, นะเขาจะทํางานเขาจะมีกิเลส ก, ก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเ ป, เป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างเขาเท่านั้นเองนะมันก็จะแยกมาได้จริงๆริจิตมันก็จะค่อยๆ ค, คลายจากคำยึด ต, ติดในขันธ์ทั้งห้านี้ได้นะก็เป็นหนทางที่เราจะมองเห็นว่าเป็นหนทางดําเนินที่ไม่ยากนะให้เราเข้าใจไปตามความเป็นจริงเช่นนี้ที่พระเจ้าได้ทรงบอกแล้วว่า อทำทั้งหลายนะก็มีความเป็นอนิจจังถุกขันาตาไม่ตัวไม่ตนของเราขันห้าก็เป็นนิจจังถุกขันาตาไม่ตัวไม่ตนของเรานะแต่เมื่อใดที่เรายังไปยึดติดอยู่นั่นแหละเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นยิ่งยึดมากก็จะทุกมากอนะยึดน้อยก็ทุกน้อยเมื่อไม่ยึดก็ไม่ทุกเลยนะสิ่งเหล่านี้นะก็คือขันห้านี่ก็เป็นสิ่งเราไม่หน้าที่แค่ปล่อยแค่วางไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเราก็จะไม่ทุกข์นะ เพราะนั้นผู้ใดที่เข้าใจในตรงนี้แล้วความทุกข์ก็จะอยู่ในใจเราไม่ได้นานนะเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วว่ากายและใจอารมณ์ทั้งหลายความรักความชังกิเลสทั้งหลายไม่เกี่ยวกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเท่านั้นถ้าเราวางเข้าไปตามความเป็นจริงเขาก็จะไม่ยุ่งกับเราไม่ได้นะเพราะฉนั้นก็ขอทุกท่านสามารถที่จะสุดแห่งทุกข์ได้ในชาติปัจจุบันในทุกท่านเท่าน